ถ้าเราไม่ส่งผู้แทนไปโต้กับเขาเขาจะถือว่าเรายอมแพ้แล้วจะประกาศไปทั่วเมืองว่าฝ่ายพุทธบริษัทยอมแพ้เขาแล้วเอาละ่ะอัตมาจะไปโต้กับเขาเองอุ๊บโอ้ยท่านจะไปได้ยังไงแม้แต่จะลุกขึ้นก็ไม่ไหวนอนเถอะอย่าไปเลยเธอท่านเรวัตตาไม่ไปแล้วใครจะไป ก่อนนั้นนะสิพวกเราก็แพ้เท่านั้นเองท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าการโตวาทีวันนี้ทางฝ่ายนิครนได้ให้ติถปาละเป็นผู้แทนขึ้นโตติถปาละผู้นี้เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีความรู้ความสามารถเป็นรองวีระสีหะ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 ถ้าท่านเทวมิตรชนะก็เป็นการยกฐานะของชาวพุทธให้สูงขึ้นแสดงว่าลำพางคเิหัตก็ยังสามารถเอาชนะนักบวชได้แต่ถ้าแพ้ก็ไม่เสียหายอะไรใช่เป็นอันว่าให้ท่านเทวมิตรไปโต้วาทีแทนท่านสมณะนะ ข, ข้าพเจ้าอาสารับขึ้นมาโตวาทีวันนี้ก็หวังจะได้ประคารมกับพระเรวตเัตเถระผู้เสมอด้วยเพศด้วยศีพลพรด้วยสติปัญญาและความรู้หรือถ้าเรวัตเถระป่วยจริงก็น่าจะทรงพระภิกษุผู้ทรงศีลมาสู่กับข้าพเจ้าแต่นี่กลับทรงฆราห์ตผู้ยังคลุกคลีด้วยบุญปัญญาผู้ยังบริโภคกาม ขึ้นมาต่อสู้สงครามวาทะกับขพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามขพเจ้าอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิตพอได้ทราบขปเจ้าเกือบไม่ยอมลดเกียรติตัวเองมาเผชิญหน้ากับท่านแต่ไหนไหนท่านก็ขึ้นสู่ธรรมาทต์แล้วถ้าขพเจ้าจะลงจากธรรมาทิตหนีไปเสียก็น่าสงสารเห็นใจบรรดาประชาชนผู้ตั้งใจมาฟังไปนั่นว่าขพเจ้าจะยอมสู้กับท่าน แต่จะสู้ด้วยความรู้ปัญญาและเพียงครึ่งเดียวของข้าพเจ้าเท่านั้นท่านผู้เจริญท่านจยามูพูดอ้อมค้อมให้ชักช้าอยู่เลยท่านอยากถามอะไรก็ถามมาเถอะข้าพเจ้ากระหายอยากจะโตวาทีกับท่านเต็มทีแล้วได้สิอุบาสกข้าพเจ้าจะถามท่านเพียงปัญหาเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้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 คนทำไม่อยากใช้คนซื้อไม่อยากใช้คนใช้ไม่รู้เรื่องสิ่งนั้นคืออะไรตอบสิอุบาสก น, นิ่งอึงตอบไม่ได้<อ>ใช่ไหมปย <laughs> ปริศนาทำง่ายๆเท่านี้ท่านก็คิดไม่ออก แล้วท่านจะมาต่อโต้ในหลักทำอันลึกซึ้งมมในศาสนาของเราทั้งสองได้ยังไงข้าพเจ้าขออำลาท่านไปก่อนเมืม่อพระเรวัตเถระหายป่วยแล้วให้มาโต้กับข้าพเจ้าก็แล้วกัน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 ข้าพระเจ้าเป็นคนใจร้อนเพราะถูกเขาย้าวนิดหน่อยก็เกิดโทสัเพราะไม่เคยต่อการโต้วาทีอีกอย่างหนึง่งไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะถามปริศนาเช่นนั้นจึงไม่ได้เตรียมตอปริศนาไว้เพราะถูกถามปริศนาจึงงงไปหมดคิดอะไรไม่ออกรู้สึกเป็นปริศนาที่ลึกลับซะด้วยข้าพระเจ้าเอง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 ง่ายนิดเดียวคืออะไรอะทันก็ลงศพเงละ่ะ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 ก็ามาเจ้าเป็นคนใจร้อนทําอะไรอยากให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็วฉะนั้นการโต้ ว, วาทีในวันนี้ข้าพเจ้าจะถามปัญหาข้อหนึ่งกับท่านและจะซักไซร่เลี้ยงเพิ่มเติมบ้างถามเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้เป็นที่พอใจก็ขอให้ท่านเป็นผู้ชนะไปถ้าท่านตอบไม่ได้หรือจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ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 บิดาหรือมาดาไม่สำคัญอ้าวนั้นท่านจะไปไหนล่ะท่านติดทปาละข้าพเจ้าจะอยู่ทำไมในเมื่อข้าพเจ้าแพ้ท่านแล้วนี่ ไม่ได้แล้วต้องรอถึงเช้าวันพรุ่งนี้อาร้องไห้ทาไมล่ะลูกแค่แล้วนมอยากเข้าไปในเมืองเดียวนี้อยากไปเห็นบ้านใจจะกาดอยู่แล้วไม่มีทางใดที่จะเข้าไปได้เลยใช่หรอือไม่มีทางอื่นอีกแล้วนอกจากจะรอถึงพรุ่งนี้เช้าอย่าร้องไห้สิลูก นั่นใครสงเสียงอยู่ที่หน้าประตูน่ะออท่านนายประตูใครใครมายืนอยู่หน้าประตูเมืองทําไมท่านนายประตูข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าเกวียนเดินทางมาจากกรุงพระณสีแล้วกองเกวนน่ะอยู่ที่ไหนกันละ่ะฮะข้าพเจ้าตั้งพักไว้ที่ทุ่งนาใกล้ๆ ก, กับประตูเมืองนี้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 เธอเป็นลูกของญาติขปเจ้าที่อยู่ในเมืองเธอจากมารดาไปอยู่กับขปเจ้าติดกรุงพระณสีเป็นเวลานานแหละเธออยากจะพบมารดามากทีเดียวถ้าท่านไม่กรุณาข้าพเจ้าขอขอได้โปรดเห็นใจและสงสารเด็กด้วยเถอดขพเจ้าเห็นใจท่านแต่ท่านก็ควรเห็นใจข้าพเจ้าด้วยขพเจ้าเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ผู้น้อยปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นไม่มีอำนาจจะเปิดปิดประตูเมืองตามอำเภอใจได้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 ก็เข้ามาในเมืองได้ด้วยเงินจํานวนสิบกหาปะนะ ด, ด, ดีใจไหมลูกเราดีใจมากอยากจะได้ครอบแม่แล้วโยดรถมอเตอร์ยดจะน่าประทับนั้นปราสาทนี่เนหรอที่รู้ว่าเป็นปราสาทของลูกถูกแล้วปราสาทนี่แหละเราได้เคยอยู่มาก่อนจากไปเชนนนดูเหมือนจะสุดส้อมไป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 รัตตปานีก็เป็นรัตตปานีไม่ใช่รีแล้ละววัดีอย่างที่เข้าใจประตูใหญ่เปิดแล้วผู้ที่เปิดเป็นหญิงกลางคนดูลูกจ้องมองนางอย่างจริงจังนันทานันทาอะไรกันเนี่ยเธอเป็นใครทำไมเรียกชื่อฉันถูกเธอจำฉันไม่ได้หรอกเาะฉันรีล้วดีลล่ะรีลาวะดีไหนรีลาววดีที่เคยอยู่กับเธอที่นี่ เธอรักใช้ฉันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจําได้อย่างนั้นทธอไม่ใช่เร ล, ลาวดีนายหญิงของฉันตายไปแล้วไม่ใช่เธอใช่สิเธอจำฉันไม่ได้จริงๆนึหละ่ะแม่ฉัอยู่ที่ไหนฉันจะไปหาแมาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของไปอ้าวอะไรกันเนี่ยอย่ามวัวสงสัยอยู่เลยรีบตามไปดูเร็วเถอะเดี๋ยวก็ได้รู้ได้เห็นอะไรหรอกไป อะไรกันใครประอดขาลูกเอ็งใช่ไหมลูกเองลูกลูกใครเอ๊ะแล้วนั่นใครกันท่า <c oughs> นทั้งหลายเป็นใครบอกฉันด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่ทาลูกไม่ได้เหรอเรื่อวันดียังไงล่ะเรื่อราดีจ้ะลูกเรล่องราดี ลูกกลับมาเยี่ยมแม่แล้วและจะอยู่กับแม่ตลอดไปรีราวดี <c oughs> เป็นไปไม่ได้รราวดีลูกสาวของฉันไม่ใช่เด็กตัวเล็กอย่างนี้รีราวดีเป็นนางฟิกษุนีและตายไปเกือบสิบปีแล้วแม่จำลูกไม่ได้แม่ลืมล้ม็แล้วไม่เข้าใจเลย <c oughs> ทำไมต <c oughs> ึงเป็นอย่างนี้ ที่ท่านเป็นใครมาจากไหนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรช่วยให้ความาากระจ่างกัทนด้วยท่านงงไปหมดแล้วข้าพาเจ้าชื่อเมตียะเป็นหัวหน้าพ่อค้ามาจากเมืองพารานาสีเวลานี้ตั้งกองเกวียนไว้นอกประตูเมืองเด็กหญิงคนนี้ชื่อรัตต ป, ปาณีเป็นธิดาของข้าพาเจ้าเองแล้วทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ละ่ะคือว่ามีอะไรห ล, ลายอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับเธอ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 ท่านแน่ใจแล้วว่าเธอคือรีลาวดีข้าพเจ้าแน่ใจเพราะอะไรท่านถึงได้แน่ใจว่าเป็นรีลาวดีเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประจักษ์กับสายตาครั้งแรกขบวนเกลียนของเราผ่านพระเชตวนารามเธอก็เชียงข้าพเจ้าดูและออกชื่อได้ถูกต้องสามยังบอกอีกว่าเรวตาคนรักของเธอเคยอยู่ที่พระเชตวนารามและขณะนี้อยู่ที่กรุงราชกุ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 เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แล้วใช่ไห ม, มว่าเธอคือลีลาวดีลีลาวดีลีลาวดีลูกแม่แม่ <c oughs> เออแม่ดีใจอย่างที่สุดที่ได้พบกับลูกของแม่อีก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 ต่อมาภายหลังไม่เข้ามาว่าลูกเด็ดตายซะแล้วที่กรงรา จ, จะครึกแม่ก็หมดความสุขหมดความสุขสมราญ ใ, ใดๆในชีวิตใช้ชีวิตได้ผ่านพ้นไปวันๆกับนันทาทาผู้เือสัตว์กรงแม่ท่าทันทีครับดี พ่อของเจ้าได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มากมายจึงไม่ลำบากกับการคล้องทีพความสุขย่างเที่ยวที่แม่ได้รับก็คือสละทรัพย์บำเพ็ญบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พ่อของเจ้าให้ชายเสนและให้เจ้าเองบัดนี้แม่เชื่อสนิทแล้วว่า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 กูอยากจะเดินดูให้ทั่วบ้านมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรัวอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงไปหมดลูกเอ้ยเอาสิอยากจะไปดูอะไรก็ไปนันทาเจ้าไปเป็นผู้หันลูกของเราด้วยนะไปสิคะหนูรีลาวดีออต้องขอขอบคุณท่านเมติยะ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 มีอายุสักเท่าไรเข้าใจว่าสักสามสิบเจ็ดหรือสามสิบแปดนี่แหละถ้าอย่างนั้นคงไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นอีกเพราะอายุแตกต่างกันมากและอีกประการหนึ่งพระเรวัตตาอาจจะเดินทางจากกรุงราชฤทธิ์ไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือไม่บางทีบางทีอะไรล่ะท่านเมติยะเรวัตตาอาจจะตายแล้วก็ได้ ห, <า>หรือแต่ยังไม่ตายก็พเจ้าก็เชื่อว่าลีลววาวดีกับเรวัตตา คงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกไม่แน่ น, นะท่านนะถ้าพระเรวัตตะได้ข่าวลีราวดีเกิดใหม่เขาจะต้องเดินทางมาพบแน่นอนหรือไม่ก็ลีราวดีอาจจะรบเราให้เราพาไปกรุงราชคระเรก็ได้เราคอยดูกันต่อไปก็แล้วกัน mm hmm. ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และวันนี้นางคาริหะปัตตนีได้ดทําบุญเลี้ยงพระสงฆ์จํานวนห้าร้อยรูปเป็นการเลี้ยงฉลองความยินดีลีลาวดีมีท่าทาราเริง ม, มากทีเดียวแต่ก็น่าแปลกระหว่างที่พระสงฆ์ฉันพัฒาหารลีลาวดีได้ดเข้าไปดูหน้าพระองค์ น, นั้นองค์นี้อย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาใครสักคนหนึ่งแล้วไปหยุดยุดที่หน้าพระภิกษุชราซึ่งนั่งอยู่แถวหน้า พระคุณเจ้ารู้จักกระเลวัตตาไหมคะพระเลวตะองค์ไหนพิจุชื่อเทวตานล้นรายองค์พระเลวตตาที่เคยเป็นโจรต่อมาภายหลังไดอปสมบทและจรรบรญษาที่พระเจตาวนารามแล้วก็ได้ไปอยู่คุงราชคฤ อ, อ์ยังไงล่ะคะพระคุณเจ้าอ๋อพระเลวตารูปนั้นอาตมารูจา้จัก พระคุณเจ้จาจักเรวต์ตาเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก่อนเข้าพรรษาปีนี้มีภิกษุรูปหนึ่งมาจากกรุงราชคฤห์บอกว่าท่านเรวต์ตเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเวลุวานารามในกรุงราชคฤห์แม่จ๋าเลวต์ตาอยู่ที่กรุงราชคฤห์เลวต์ตายัางอยู่ที่กรุงราชคฤห์ ไม่ต้องอไปในลาวดีไปกรุงรัชช์เถิดนะ นี่ชือเสียงท่เลวัตตะแผ่กระจายไปทั่วกรุงและตามชนบทใกล้เครียงใครๆก็พูดถึงท่านเลวัตตะทำไมจะไม่รู้เรื่องนี้เคยใครก็รู้และไม่ใช่รู้แค่นี้นะยังรู้อีกว่าพวกนักบวชที่แพ้ท่านเลวตัตตะต่างอิจฉาและพยาบาท่านเลวัตตะไปต่ามๆกันในจํานวนนี้มีตปดาสันชัยเวรัตบุทธด้วยตาสดาสันชัย